พระพุทธภาษิตที่แสดงถึงหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความว่างนั้นคือพระพุทธภาษิตที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอาตมากําลังกล่าวเอ่ยถึงคําว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาฉะนั้นขอให้สนใจสักหน่อยนั่นคือพระพุทธภาษิตที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา ถ้าเป็นบาลีก็ว่าสัพเพ ธ, ธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสั้นๆเท่านี้ตามตัวหนังสือมีเพียงเท่านี้แต่ถ้าขยายความในภาษาไทยไปอีกหน่อยก็ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือของเรา นี่ฟังดูให้ดีอาจจะเข้าใจได้ในประโยคนั้นเองว่าอันใครๆคือไม่ยกเว้นใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นคือทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของของเราเป็นตัวเราคือยึดมั่นว่าอัตตาเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าอาหารการ เป็นของเราก็คือเป็นอัตตนิยาแปลว่าเนื่องด้วยตัวเราเป็นความรู้สึกที่เรียกว่ามามังการอย่าได้มีอาหางการหรือมามังการในสิ่งใดๆหมดนับตั้งแต่ฝุ่นที่ไม่มีราคาอะไรเลยสักเม็ดหนึ่งขึ้นมาจนถึงวัตถุที่มีค่าเช่นเพชรนินจินดาประทั่งกา ม, มารม กระทั่งสิ่งที่สูงไปกว่านั้นคือธรรมะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมรรคผลนิพพานอะไรก็ตามไม่ควรจะถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่คือหัวใจของพระพุทธศาสนาเรื่องนี้ได้กล่าวไว้ละเอียดแล้วในการบรรยายในบางแห่งหาอ่านดูได้มันยืดยาวเหมือนกัน ว่าอะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาด้วยการพิสูจน์ว่าอย่างไร